และเทวดามีจริงความเบื้องต้นปัญหาอันหนึ่งที่โลกสนใจและสงสัยกันมากก็คือปัญหาว่าผีสางและเทวดามีจริงหรือไม่บางคนก็ตอบว่ามีบางคนก็ตอบว่าไม่มีแต่บางคนตอบว่าจะมีหรือไม่มีไม่ใช่เรื่องสำคัญ และไม่มีความจำเป็นจะอย่างไรที่จะต้องไปสนใจกับปัญหานี้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรต่อมนุษย์นอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แล้วยังปรากฏว่าผู้ที่เชื่อว่าผีมีก็มักจะเป็นคนประสาทอ่อนหวาดกลัวสิ่งต่างๆโดยไม่มีเหตุผลและเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่จะทำให้คนอื่นหลอกลวงได้ง่าย เพราะคนที่เชื่อว่าผีมีโดยปกติเป็นคนที่เชื่ออะไรอย่างงมงายฉะนั้นทางที่ดีก็คืออย่าไปสนใจกับเรื่องเหล่านี้และไม่ควรจะไปรื้อฟื้นเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาสอนให้คนอื่นเชื่อว่าผีสางเทวดาไม่มียังจะดีเสกว่าสอนให้คนเข้าใจและเชื่อว่ามีที่จริง ปัญหาเรื่องผีและเทวดานี้ถ้าพิจารณากันอย่างผิวเผินก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และซ้ำายัางจะก่อให้เกิดโทษแก่ผู้ที่เชื่อดำที่เคยรู้เคยได้ยินอยู่เสมอแต่จะอย่างไรก็ตามในฐานะที่เรื่องผีและเทวดาได้เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาในหนังสือพระไตรปิฎก รวมทั้งหนังสืออัจฉริยะดีกาและหนังสือที่เขียนโดยนักปราชญ์ต่างๆก็ปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยอย่างมากมายเป็นการยากที่จะปฏิเสธว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีจริงหรือเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยเพราะไม่เชื่อว่ามีจริงต่อมา เมื่อได้อ่านหนังสือพระไตรปิฎกมากขึ้นและได้ฝึกฝนตนเองในทางสมาธิและวิปัสสนาเป็นเวลานานขึ้นความเข้าใจที่ว่าขีตระวดาไม่มีได้เปลี่ยนไปกลับมาเห็นว่ามีและเห็นได้อย่างชัดเจนอีกหลายอย่างว่าเรื่องนี้ถ้าเชื่อกันให้ถูกทางแล้วมีประโยชน์มากเรื่องนิยายหรือคําบอกเล่า ที่เกี่ยวกับเรื่องผีสางเทวดาจะต้องตัดออกไปในเมื่อเรื่องที่เล่ากันมานั้นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาและเชื่อในเรื่องอภิเิหารการจนเกินกว่าเหตุนักศึกษาหรือคนที่มีความคิดที่ไม่ยอมเชื่อเรื่องผีสางเทวดาก็เพราะเรื่องที่ได้ยินได้ฟังกันนั้นมักเกินความเป็นจริงเรื่องจริงมีนิดเดียวแต่แล้ว ได้ถูกขยายกันมากจนลบล้างความจริงดและอีกประการหนึ่งผู้ที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ได้ถูกต้องจำเป็นจะต้องมีความรู้ตามหลักวิชาจึงจะสามารถแยกประเด็นได้ถูกต้องว่าเรื่องที่เขาเล่ากันนั้นมีความจริงแท้แค่ไหนและจะต้องมีเครื่องมือในการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้อีกด้วย ในเมื่อคนส่วนมากขาดทั้งหลักวิชาและเครื่องมือฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่อาจเชื่อถือกันได้คนที่ขี้เกียจคิดหรือขาดการค้นคว้าขาดหลักวิชาจึงได้พากันปฏิเสธว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จริงและไม่มีประโยชน์มาหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาได้เปิดงานในด้านการกุศลสาธารณประโยชน์ขึ้นอย่างหนึ่งซึ่งแผนกนี้เรียกว่าแผนก ร, รมวิจัยมีการแสดงปาธกาสามีการสอนการอบรมในเรื่องสมาธิและวิปัสสนาและมีหน้าที่วิจัยการสอนให้เกิดประโยชน์ วิจัยหาข้อเท็จจริงตามหลักวิชาซึ่งงา น, ผานแผนกนี้ได้เริ่มต้นมาหลายปีแล้วที่ผนแผนกนี้ได้ถูกถามปัญหา บ, าบา่อยๆเกี่ยวกับเรื่องผีสางเทวดาการตอบส่วนมากก็ตอบกันไปตามตัวหนังสือที่มีอยู่ในพระไตรบิดกซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่กระจ่างแต่ก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ ว่าเรื่องนี้จะไม่มีความจริงการตอบตามตัวหนังสือเป็นการยากที่จะทําให้คนทั่วไปเกิดความเข้าใจหรือเกิดความเชื่อถือได้ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของนแผนกนี้จึงได้พยายามค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและหาทางพิสูจน์เรื่อยมาที่จริง เรื่องผีสางเทวดานี้ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์แห่งการวิจัยของงา น, นแผนกนี้โดยตรงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอยู่ที่การค้นคว้าหาวิธีสอนธรรมให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายและให้รู้จักนรทมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่เพราะเหตุที่คนส่วนมากสนใจเรื่องเหล่านี้ และเรื่องอย่างนี้ก็มีกล่าวไว้มากมายในพระไตรปิฎกการค้นคว้าจึงได้ขยายวงกว้างมาถึงเรื่องนี้ด้วยและที่สำคัญก็คือจากหลักฐานในคำพีได้กล่าวไว้ชัดเกียนว่าผู้ที่ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มีจริงเป็นมิจฉาทิฐินัติโอปปาติกา ผู้ที่จะมีศีลธรรมเกิดจากใจของตัวเองได้จริงๆจำเป็นจะต้องมีความเชื่อและความเข้าใจทั่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งท่านจะทราบได้จากพระสูตรที่ข้าพเจ้าเดีนนำมาอ้างไว้ในหนังสือเล่มนี้อันหนึ่งขอท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้โปรดทราบไว้ด้วยว่าวัตถุประสงค์สำคัญของหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่จะพยายามรวบรวมหลักฐานจากพระไตรปิดกมาเพื่อยืนยันว่าผีและเทวดามีจริงและทางพระพุทธศาสนาพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการพิสูจน์หรือธที่บายเรื่องอภิญิหารต่างๆของผีสารเทวดาตามที่เล่าสืบสืบกันมา หรือตามที่พบในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เ ร, เรื่องอภิหารต่างๆทางนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้จะจริงหรือไม่ทางนี้ไม่อาจจะยืนยันได้ทางนี้ยืนยันได้อย่างเดียวว่าผีและเทวดามีแน่และสามารถชี้ให้เห็นประโยชน์อันไพศาลที่จะพึงเกิดแก่สังคมถ้าหากคนส่วนมาก เชื่อและเข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่ทางนี้เป็นห่วงมากก็คือเมื่อคนทั้งหลายยอมรับว่าผีและทเทวดามีจริงความเชื่ออย่างงมงายของสังคมก็มักจะตามมาด้วยทางนี้ก็เพราะความเชื่ออย่างผิดๆซึ่งสืบต่อกันมาหลายชั่วยุคนอันเนื่องมาจาก ไม่รู้หลักวิชาในเรื่องนี้ได้แพร่หลายอยู่ทั่วไปซึ่งถ้าคนไหนยอมรับว่าผีและเทวดามีแล้วก็มักจะรับเอาความเชื่อที่ผิดอันนั้นมาด้วยเช่นคนไหนถ้าเชื่อว่าผีและเทวดามีก็มักจะต้องเชื่อด้วยว่าผีและเทวดาจะต้องมีอภินิหารหรือสามารถจะบรรดาลอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ถ้าไม่เห็นอภินิหารก็มักจะไม่ยอมเชื่อและอภินิหารนานตนเองจะต้องได้เห็นกับตาและพิสูจน์ได้ว่าเป็นอภินิหารที่เกิดจากผีหรือเทวดานั้นจริงแต่บางคนไม่ต้องเห็นด้วยตาของตนเพียงแต่ฟังคำบอกเล่าก็เชื่อและสร้างเป็นภาพอุปาทานหลอกตนเองอยู่เสมอ เมื่อนึกถึงเรื่องนี้คราวไรภาพที่ตนสร้างไว้ก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงนึกหรือบางทีก็ถึงกับปรากฏขึ้นมาเป็นภาพซึ่งเห็นได้ด้วยตาของตนเองเรื่องนี้เป็นกันมากการแสดงนิทรรศาการทางจิตที่ทางแผนกธรรมฤิจัใจจะจัดให้มีขึ้นนานขอแจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่า ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับพินิหารใดๆเลยทางนี้พิสูจน์ให้ดูอย่างเดียวเท่านั้นคือพิสูจน์ว่าผีแลรรมดามีจริงเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิชาทุกๆุกตอนของการพิสูจน์จะมีการอ้างหลักวิชาจากพระไตรปิฎกเพื่อชี้ให้เห็นว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นถูกต้องดีแล้ว ส่วนปัญหาใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักวิชาและข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทางนี้จะไม่กล่าวถึงและใครที่จะขอเตือนไว้สักอย่างหนึ่งว่าเมื่อพิสูจน์ได้แค่ไหนจงเชื่อเพียงแค่นั้นอย่าให้ปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆที่ตนเองไม่เข้าใจหรือพิสูจน์ไม่ได้มาลบล้างความเชื่อที่พิสูจน์ได้ และอีกประการหนึ่งที่ทางนี้เป็นห่วงมากก็คือเมื่อใดทางแผนกธรรมวิจัยจัดให้มีการแสดงนิทรศการเพื่อพิสูจน์จะเห็นว่าผีและเทวดามีจริงผู้ที่เห็นการแสดงหากไม่มีความเข้าใจในหลักวิชาอยู่บ้างก็อาจจะดูไม่เข้าใจเพราะโดยธรรมดา ผู้ที่จะดูการพิสูจน์อะไรแล้วเข้าใจได้ถูกต้องนั้นก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่บ้างไม่เช่นนั้นก็ดูการพิสูจน์ไม่รู้เรื่องผู้ที่จะดูการแสดงนิทัศการทางจิตคราวนี้ก็เช่นเดียวกันควรจะมีความเข้าใจในหลักวิชาเกี่ยวกั บ, กบเรื่องนี้พอสมควร ไม่เช่นนั้นแล้วความเข้าใจผิดอันมีมาแต่เดิมซึ่งฝังอยู่ในใจจะชักจูงให้เห็นผิดเป็นถูกและแล้วทั้งที่ได้เห็นข้อพิสูจน์อันถูกต้องด้วยตาของตนเองแท้แต่ก็ไม่อาจจะเชื่อถือได้ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องนำหลักวิชามาเขียนไว้ ขอท่านที่ต้องการจะค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โปรดศึกษาข้อความจากท่านตรตรดกซึ่งข้าพเจ้าได้คัดออกมาเท่าที่จำเป็นดังต่อไปนี้ท่าสูตรที่แสดงว่าผีและเทวดามีความเชื่อว่าผีและเทวดามีเป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นในเรื่องศีลธรรม ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีเป็นมิจฉาทิฏฐิและได้ชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอราหันต์ผู้ที่ประกาศว่าผีและเทวดาไม่มีได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกาศอาสาธรรมประกาศมิจฉาทิฏฐิดูกร ะ, ะหะบดีทั้งหลายมีอยู่ สมณะพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 1. นึันดทิทินนางการให้ทานไม่มีผล 2. องนัดทิยิจถังการบูชาไม่มีผล 3. นัดทิหุตังการเคารพ บ, บูชาไม่มีผล 4. ี่นัดทิสุกตะทุกตะนางกรรมมานางพลังวิปา ก, กุ ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี 5. นัตถีายางโลโกโลกนี้ไม่มีคือเห็นว่าสัตว์ในโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้ไม่ได้เพราะตายแล้วศูนย์หนัตถิปรโรโลโกโลกอื่นไม่มีคือเห็นว่าสัตว์ในโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นไม่ได้เพราะตายแล้วศูนย์เ นัตถิมาตาคุณของมารดาไม่มี 8. นัตถิปิตาคุณของวิดาไม่มี 9. นัตถิสัตตาโอปปาปิกาพวกโอปปะปะิกะไม่มีคือเห็นว่าพวกผีและเทวดาไม่มีนัตถิโลเกสัมนาพรามนาสัมมคตาสัมมาปฏิปันนา เยอีมันจะโลกังบาลัญจะโลกังแยดงอาิญญาทัชิกัตตวะเะเวเทนติสมณะพรามณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุธรรมอันชอบคือบรรลุอภิญญามรรคผลและนิพพานกระทําให้แจ้งด้วยตนเองซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยภิญญาแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มี คือเห็นว่าผู้หมดกิเลสเป็นภารหันไม่มีหรือผู้ที่สำเร็จอภิญญาสามารถที่จะรู้เรื่องนรกสวรรค์และสามารถที่จะมีหูทิพตาทิพเห็นเจรจาติดต่อกับโอปปติกะได้และมีอิทธิปาฏิหาริย์อื่นๆไม่มีเพราะผิดวิสัยธรรมชาติดูกระะท่านขหบดีทั้งหลาย สมณะพราหมณ์เหล่าใดมีวาท่อย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้สมณะพราหม์เหล่านั้นเป็นอันหวังได้ว่าจะต้องเบื่อหน่ายในกุศลธรรมสามคือกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตและจะยึดถือปฏิบัติอยู่แต่ในกุศลธรรมสามคือกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริต พ่อนานเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นไม่เห็นโทษไม่เห็นความตำสามไม่เห็นความเศร้าหมองของอกุศลธรรมทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าแห่งความบริสุทธิ์ของกุศลธรรมทั้งหลายก็ปรโลกมีอยู่แท้ๆเขากลับมีความเห็นว่าปรโลกไม่มีฉะนั้น ความเห็นของเขาจึงจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดของเขาก็จัดเป็นมิจฉาสังกัปปะก็ปราลกมีอยู่แท้แต่เขากลับพูดว่าปราลกไม่มีฉะนั้นคำพูดของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาอันหนึ่นงพระราหันทั้งหลายย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าปรารมีอยู่ฉะนั้น ผู้ที่ถือว่าปรโลกไม่มีจึงได้ชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอรหันต์ทั้งหลายอีกด้วยในเมื่อตนเองถือเช่นนั้นและสอนให้คนอื่นเชื่อตามจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกาศอาสัตย์ธรรมและด้วยอาสัตย์ธรรมที่ตนเองประกาศออกมาเช่นนั้นย่อมจะเป็นเหตุให้ยกตนข่มคนอื่นอีกด้วย อาสัตธรรมไม่คงทนต่อการพิสูจน์และผู้ประกาศอาสัตธรรมใจย่อมไม่สูงฉะนั้นเมื่อถูกคัดค้านก็มักจะใช้วิธีข่มผู้อื่นเพื่อเอาชนะและย่อมละสินได้ง่ายประพฤติอยู่แต่ในทางทุศีลูกระคาะหาบดีทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย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 ก็จะเข้าสึงอาบาลทุกติวินิบาตและนรกอีกด้วยจากอปันนกกสูตรจากข้อความในอปันนกกสูตรที่อ้างมานี้ท่านจะเห็นว่าผีและเทวดาเป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งท้าพพทธเจ้าทรงเรียกว่าโอปปะจุกะเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจะขออ้างพระสูตรเกี่ยวกับโอปะปะติกามาให้ท่านไ้ศึกษาอีกดังต่อไปนี้พระสูตรที่แสดงว่าผีและเทวดาเป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงๆดูกรสารีบุตรกำเนิดชีวิตมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งอันทชาโยนิสองชลาผู้ชาโยนิ สามสังเสทชะโยนิสี่โอปปัติกะโยนิสารีบุตรอันชะโยนิเป็นชไหนสัตว์เหล่าใดทำลายกระป๋ะาไข่เกิดออกมาเช่นเป็ดไก่เป็นต้นกำเนิดอย่างนี้เรียกว่าอันชะโยนิชาลาผู้ชะโยนิเป็นชไหน สัตว์เราได้เกิดมาด้วยการคลอดออกมาจากมดลูกเช่นคนเป็นต้นกำเนิดอย่างนี้เรียกว่าชาลาคุชโยนิสังเสทชโยนิเป็นฉนัยสัตว์เราได้เกิดในปลาเน่าหรือในซากศพที่เน่าหรือในขนมที่บูดเน่าหรือในหลุมในบ่อที่โศกปลกกำเนิดอย่างนี้เรียกว่าสังเสทชโยนิ โอปปาติกะโยนิเป็นฉนไหนหนึ่งพวกเทวดาสองพวกนรกสามพวกมนุษย์บางประเภทและสีวินิบา ท, บ า, ทบางประเภทกำเนิดอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะโยนิสารีบุตรกำเนิดของชีวิตทั้งหลายทั้งหมดมีอยู่สีประเภทดังนี้แลจากมหาสีหานาสสูตร คำว่าโยนิซึ่งแปลว่ากำเนิดนี้ศาตราจาร์ริสเดวิสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิกแปลว่า originway of birthplace of birthrealm of existence จากคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษนี้จะทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าโยนิชัดขึ้นส่วนคำว่าโอปปาติกา s a t r a j a n Rish Davis แปลว่า rebirth w i t h o u r wisdom c a u s e that is w i t h o u r parents as a d e w a spontaneous rebirth apparitional rebirth.